กนเนอะดยินได้ฟังอาไวา้เราทไม่รูดก็มีครูอาจารย์บอกสอนอยู่ทุกวันเพื่อย่อเตือน ล, ล่ำรี่ล่ําไห่ในการในงานที่เราทำอยู่การกรรมฐานกรรมฐานนี่ทัน อ, อกทันใจ ทำกับมือเห็นกับตาสิ่งที่จะเป็นมากเป็นผลเป็นกระแสพระนิพพานเห็นกับตาทำกับมือเรียกว่ากรรมฐานบรรดาอยู่ที่การเวลาเกิดมานานหลายวันหลายปี อยู่ที่กรรมาฐานกรรมฐานสร้างอินทรีย์ให้เจอกล้าอินทรีย์แจก้าไม่ใช่อายุอยู่ที่กรรมาฐานบุพริเจ้าก็สนอนไน้มีจิตไปในกายเปประจำมีความเพียรเครื่องเผาีิเลิดมีประจัญญะ มีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเสือได้ความพอใจและความไม่พอใจมันเป็นลดของโลกถอนออกมาคือมาลู่ฉกตัวเป็นลดของธรรมลักษณะ น, นี้จะทำให้อินรีแจก้าขึ้น่า หลวงปู่เทียนก็สอนว่าอย่าเข้าไปในความคิดความคิดอะไรก็ไปในความคิดแจะความคิดจะหอบิย่วไปหน่อยให้มีสติรู้จักตัวโดยกรรมฐานแบบสามัญบัพพะเข้าเยียดเคลื่อนไหวช่วยให้กลับมารู้จักตัว นี่ก็คือกรรมฐานเป็นสิ่งเร่อรอบทับอินสีแจกลาขึ้นมาอย่าลืมจ้ะอย่าให้ความคิดพาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ความคิดพาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกากับจเกิดความพอใจไม่พอใจ เป็นความหลงเป็นความหลงควาทุกข์เป็นความทุกข์รถของโลกหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าให้มีสติกลับมาก็าหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์แล้ว่าอินทรีย์มันอ่อนแอม่ายแจกก็ก็ให้ยรู้สึกตัวซะในความอดอร์สร้างมันเชื่อมแข็งขึ้นมา ตรงไหมันอ่อนเระให้มันเชื่อมแข็งเหมือนกับสร้างบ้านสร้างเดือนใส่คานใหญ่ใส่ฐานดีๆเ่จะเชื่อมแข็งอันนี้แราว่าได้ประโยชน์จากสิ่งที่มันอ่อนเดระและความเชื่อมแข็งเรียนรู้เรื่องนี้ทำได้สมเร็จ วาความอ่านเดียที่เกิดกับชีวิตเราก็เรียนรู้เรื่องนี้ให้มันสำเร็จหลงที่ไดรู้ที่นั่นทุกที่ใดรู้ที่นั่นพอใจที่ไหนรู้ที่นั่นไม่พอใจตรงไหนรู้ตรงนั่นโดยกรรมาฐานลอดเข้าไปลอดเข้าไปสา ม, มารถทำอินทรีย์แจกได้ เกิดชื่อเกิดความเชื่อท้งอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันหลงที่ใดลู่ทุกทีเออบรรทัมทอย่างนี้ในอินทรีย์ตัวนี้จะแจก่าหรือ่องศรัท ธ, ธาเชื่อความเชื่อ เ, อ เ, อเออกิดขึ้นเพราะการกระทำบ่งบอกตอบได้ทุกคนทำได้ทุกชีวิตสิ่งที่ทําอินทรีย์อ่อนแอ ว่าใช่อะไรทอ่ไหนมันเกิดที่การสัมผัสจากการจากใจนี่เองไม่ใช่อยู่ที่อื่นยังสามารถทําได้ปฏิบัติได้เวลามันหลงไม่หลงก็ได้เวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้เวลามันพอใจไม่พอใจก็ได้เวลามันดีใจเสียใจขอนลาาให้ยรู้สึกตัว ทำได้ทุกคนหรือว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้นี่ตรว่ากรมาารมฐานผลงานสร้างมากสร้างผลคืองานอย่างนี้จาหวันใจก็ลักษณะดยงนี้ตัวเองสี่ใจก็มิสทาพละมีความเพียรเพื่อทำเรื่องนี้พละมีสติพละมีสมาธิพละมีปัญญาพละ ได้อกลละห้ึงที่ทำไปเพื่อเจ้าตัดสัลูกก็เรื่องพลละนี่พละห้านี้พล ะ, ะอย่างนี้คือกําลังว่าใช่ความเชื่อมแข็งของสังขารร่างกายอยู่ที่ศรัทธาที่ความเพียรที่สติที่สมาธิที่ปัญญาอันนี้ไปเลือกวันณ่อายุ เปิดไว้อยู่ที่กรรมกรร ม, มาฐานที่การประกอบขึ้นมาดัางนี้ไม่เหมือนต้นไม้เจ้ก้าจึงออกดอกออกลูกออกผลมว่วงห้าปีหกปีเจ็ดปีจึงออกลูกออกดอกออกลูกการเวลากำหนด สิ่งแวดล้อมกำหนดเหมือนกันดินดีน้ำดีปุ๋ยดีถึงจะทําให้ต้นไม้เจริญสามารถออกลูกออกผลได้ถ้ายอดอ่อนไม่สำเร็จออกลูกได้ยอดมาว่วงถ้าเป็นยอดเจะแฉะไม่มียอดอ่อนหัุดออกลูกได้ถ้ายอดอ่อนออกไม่ได้ ชีวิตเราข้ามันอวมันเกิดบ้าเกิดผลมาได้ถ้าหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์พอใจเป็นพอใจไม่พอใจเป็นไม่พอใจตัอวอินทรียอ่อนไม่สามารถเกิดบ้าเกิดผลได้ไม่ต้องตำหนิใครตามย่างไงจึงจะได้ผลไวๆอยู่ที่เดานี่เองเรยนตรงนี้มีศรัทธามีพละมีสติมีสมาธิมีปัญญา ประกอบขึ้นมาการศรัทธาการศรัทธาการทวามเพียรการมีสตติไม่ใช่อยู่ในเพืิดเพนอยู่ในการกระทํานอนอยู่ก็ทําได้นั่งอยู่ก็ทําได้เดิน อ, อยู่ก็ทําได้อาอยุเท่าไหร่ก็ทําได้แต่ว่ากรรมฐานนี่ที่ตั้งของการกระทํานี่ สงวันเชื่อมแขงขึ้นมาโต ว, วันโตคืนขึ้นมาอย่าแบ่งปัดไปอย่างอื่นดูตัวเราถ้ามีสตินั่นแหละอาศัยกรรมฐานเป็นนิมิตก็อเอาไว้กลับมารู้จักตัวกลับมารู้จักตัวกลับมารู้จักตัว อะไรเกิดขึ้นมากลับมาลู่จึกตัวกลับมาลู่จึกตัวเปลี่ยนได้เป็นดีการกลับมารู้จึกตัวนี้แล้วเปลี่ยนอย่างนี้ก็ใช้ไปจับด้วยมือจับด้วยพลังที่ของร่างกายเสื่อมเสื่อมอนแรงไม่ใช่การกลับมารู้จึกตัวการกลับมารู้จึกตัวร้อยครั้งวันหนุงลู่ หลงหนึ่งข้างรู้หนึ่งข้างรู้ ล, ลอยข้างรู้ ล, ลอยหลงลอยข้างรู้ ล, ลอยข้างนี่มันรู้เท่ารู้แต่เอย่างนี้ม่ใช่อยู่ที่อายุอยู่ที่การกระทาแบบนี้จริมันจเจกลๆ่าไม่นานจะเป็นทางยาวไกลก่อนลัดสันจะเป็น รักอย่างนี้เรือว่าภละดีงดบ้ามีผีเท่าดียอดเดินทางได้ไว้กว่าม้าที่มีผีเท่าไปดีแล้วหลงเป็นหลงหรือว่าม้ามีผีเท่าใบดีทางก็ยาวไปน่าหลงเปยนลู่หรือว่าผีเท่าดีการมีผีเท่าอย่างนี้ก็คือศรัทธาภละ สติพลละความเพียรตนเองมีความเพียรเครื่ อ, องเขาเฉลดมีสัมปชัญญะมีสติถวนเ อ, อาบาลุจักตัวอันนี้เรียกว่าทั้งหมดนั้นแหละคือพลละแปลงกลับบาู้จักตัวคือศรัทธาแล้วคือความเพียรแล้วคือสติแล้วคือสมาธิแล้วคือปัญญาแล้ว จะมีฐานอ่นี้ดีๆสิ่งก็เกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นช่วยอีกแดงหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเวลาที่ของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติจากนี้เหมือนแก่อนนี้ทางทุดเดือของ เราห่อใจเป็นป่าย้าคาป่าพงวัปกต้นยางไว้ยางก็แทนย้าคาป่าพงก็เกิดเหตดขึ้นมานี่ธรรมชาติกฎธรรมชาติน้าที่ธรรมชาติฉันใดก็ดีถ้าเรามีสติกบมากลับมากลับมาแ ก, ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยน อยากเฉียงเทพไหมตีไม่มีประโยชน์เป็นประโยชน์ขึ้นมากลับมากลับมารูกจักตัวเป็นกฎเกิดธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเกิดสิ่งเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาเหมือนดินที่มีใบไม้ใบา ย, ยางหล่นลงไปธรรมชาติมีต้นยาง ธรรมชาติก็มใบายางธรรมชาติก็มแผ่นดินเถรินอยู่กับใบายางกับเป็นจุรินทรย่อยเกิดเป็นเห็ดแล้วก็ได้กินประทานร่างกายในเลือดในเนื้อในกําลังหลังฉอดกินเห็ดกินข้าวแล้วก็เ จ, เจ็บเก็บตายตอนนี้ธรรมชาติอยู่ในกายในใจนี่มันเป็นมรรคผลมันไม่ เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายยึอศรัทธาอันนี้ธรรมชาติอันนี้กดธรรมชาติอันนี้หน้าที่ธรรมชาติอันนี้อยู่ในรูปในนามนี้แต่ไม่ในรูปมใน้ําก็ไม่เกิดขึ้นได้เกิดก็เกิดอย่างอื่นรูปนามนี้เกิดเจรลญนั้นหาเกิดโกรธเกิดหลงเกิดสุขเกิดทุกข์มันไปทางโน้นเรปล่อยให้มันไม่ ฝึกไม่หัดมันไม่เอาประโยชน์จากมันได้งานไม่ได้นี่จตจแกเจ็บตายเกืดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเก่ดขึ้นแล้วเจะเจ็บตายไปไม่ได้ประโยชน์เลยเดิที่มันมีคุณค่าลูกนี้นามนี้มันมีสัญญามีจิตใจจึงมาเอา เป็นเครื่องมือประกอบขึ้นมาเป็นวัตถุอุปรกรณ์ผลิดขึ้นมาให้เป็นมากเป็นผลอย่างนี้ก็ได้ยินได้ฟังอย่างนี้ที่แจ้งอย่างนี้ที่ว่าสอนทำบอกทำเพื่อเอาไปทำไม่ให้ไปจำเอาไว้ สิ่งที่ให้ทำมันเกิดขึ้นกับตัวท่านเองก็ทำเหมือนอย่างบอกพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ครูอาจารย์ก็สอนอย่างนี้สอนกันมานะแปกวันที่พระพุทธเจ้าขวบขึ้นในโลกก็ได้สองพันหอยหนึ่งปีมาแล้วนะ หนูภาพดูวันนี้เวลานี้หลังจัดจะลู่เป็นเดือนหกถึงวันนี้ก็อาทิตย์กวกาัอาทิตย์นี้ก็พองก็กระทบอยู่ทางด้านทิศเหนือเฉียงตะวันออกจากสีมหาโพออกจากแท่นมันหลังไปก็ปยืน พ่อกนเพศถือมหาโพธิ์อย่างไม่กระพริบตาเรียกว่าอนิมิตถรเกดีที่นั่นมีต้นโพธิ์ต้นหนึดนด่งจนลูกนิมิตกางทิศเหนือจักรันออกถือมหาโพธิ์ไอ้ว่านิมิตถะเกดีมวงจนทษดระเพศอย่างไม่กระพริบก็กย่อม งานการดันยิ่งใหญ่สมบูรณ์ลงล้วก็รู้ส่วว่า็นผลผู้เจ้าปลอดขึ้นมาได้โลกดิ่งมันก็ต้องเกิดอะไรขึ้นมาเสมอนั้นถึงกับทผ่นดินไหวผู้มีบุญผู้มีบุมีชีวิตสมบูรณ์ลงเพราะการกระทํหนานี้มันก็ต้องต้องถึงฝีมือ หรือ ม, มือเทีมแ บ, บนนี้มันไม่ลืมเป็นเลนที่ตาไว้ในชีวิตมีส่วนประกอบมีบันหลังสีงหาโพมีสิ่งแวดล้อ ม, ม, มที่นั่นเกิดขึ้นมาจะประกาแตปว่าเชื่อนั้นก็ยังมีนิมิตในใจเราอยู่แล้วก็มาสอนก็อย่างนี้พระเจ้าก็สอนอย่างนี้ต่อจากนี้ไปหนึ่งเดือน แสดงทําก็สอนเรื่องนี้ที่ว่าธรมเททยาชนะขยายความไปเพื่อให้ผู้ฟังเช่นปัญจวัคคีย์่อพูดอย่างธรรมจักกับปวัตตลสูตรอยากว่าสอนเรื่องทาง สำรว่าคนกําลังเดินทางเอาจะวดขีกันลังเดินทางหาสิ่งดูดพุ่นมันไปทางตันไปทางสุดตรงไปทางกลางแล้วก็เห็นทางว่าคนกําลังเดินทางอยู่เลยบอกเรื่องนี้พอถูกพูดเรื่องทาง ธรรมชศตาเรื่องทางเหล่าเปิดเรื่องต่อไปเรื่องอนัตตาลัคนาสูตรในความเป็นมาอย่างไรความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนอย่างไรตัดเข้าไปย่ำเข้บไปเหมือนกับที่เข้าไปต่อด้วยอริสัตตสีตัดเข้าไปอีก่างสมองปัจจุบัีหลุดล่ ว, วง วันลุทำเป็นประหารได้โกนธัญญาเพราะคนทางานก็ถอนอย่างนี้ยังเป็นคำสอนดันแรกมันมีจิตวิรล้อมต้องพูดอย่างนี้ต้องเทศนาอย่างนี้ทูทั้งหกก็อยู่ใกล้ๆอาจารย์ทศกัณฐ์ดาบทลลาดาวดก็อยู่ใกล้มองเห็นผู้เขาลิบหลี ที่อาเจ้านั่สองอยู่วัจจีก็เคยไปอยู่ด้วยกันลองไปดั้งด้าเด็กเหนือก็เห็นอู๋เทือกเขาทอมดงขัตฤิษเหนือแม่น้ำในลอนชลาจะเห็นเขาลิบลี่แล้วเีวรล้อมทีเดินมาทางนั้นระมานอย่างไรเป็นมาอย่างไร ต่างกับวันนี้อย่างไรย่รอมตรวดหรือว่าเื่องกันตรวลเกิดเกิดอะไรขึ้นแน่นอนในลักษณะอย่างนั้นยันตายมาโลดตาย้าเหลือแต่หนังหูง ก, ก็ดดหกปีเต็มๆ เ, เมื่อเกิดอากาศชะดีขึ้นมาก็ย่อมเกิดต่ า, างๆกับเราว่า สิ่งวรรลงสี่งมหาโพนี่แนนอนอย่างนี้เราได้ยินในฟังจดคุ้นหูก็เลยเฉย ช, ชาไปไม่ทั้งไม่เกิดขึ้นกับตัวเราก็เลยไม่ค่อยจะมีลดร่วมกับสิ่งเหล่านี้มาเบินงเฉยไม่ใสใจไมกระเตลรล่นปล่อยทิ้งไป ผมอาจจะควบอ้อมหลงผมอาจจะควบอ้อมจุกผมอาจจะควบอ้อมทุกข์ผมอาจจะอาการตัณฑ์เกิดกับนมาโอมลบทั้งหมดไปกับมันเลยเมื่อมีความจุกก็ยื่้มหัวโล่งเมื่อมีความทุกข์ก็เบึง่งถึงเครียดลองให้แล้วไปแบบนั้นจ้จาแต่ท่านที่น่าเกียดที่จุดถ้อมีนิมิตชั่งหน่อยทําไม่ลง อาจจะหัวล อ, วาอาะควโกดอาจจะหัวลอาความทุกข์เยอเ ย, ย่อยได้เปนงานเปนการตรงนี้หลงที่ใดรู้ที่นั่นนี่มันเกิดเปีนอย่างนี้มันขยันตรงนี้ศรัทธาตรงนี้เประโยชน์จากมันตรงนี้ที่มันมีให้เห็นให้ศึกษาเหมือเราศึกษาวิชาชีพอะไรต่างๆ เออประโยชน์จากสิ่งที่มันผิดจึงเป็นผู้รู่ได้ขนาจาเป็นผู้เจ้านี่ต้องกระโดดด้วยสุดยอดเลยเนี่ยตักษาเหมือนชนเราควรจะนงอมนํำมากับชีวิตเราเอิดชะตาขึ้น่าเรื่องนี้ ก็ไก็เราก็ทำให้ไม่ยุ่งไม่ยากเรื่องนี้เพื่อนมิตรสิ่งวแวดล้อมสถานที่ผู้คนเป็นโสชนะวัตถุมีจริงสสชนะพิธีก็มีจริงม่ใจกู้งงมงงงายหว้พระสวนมนต์สาสชนะพิธี สาธณะบุคคลก็มีเพื่อนมีมิตรมีบริษัทสี่ทั่วโลกเพื่อพุทธบริษัทประเทศไทยอยู่99บเปรชาวพุทธต่อจออื่นเพียงหนึ่งเปอรอาจจะมากขึ้นก็ได้ตอนนี้นะคนไม้ศึกษา จับโน่นจับนี่หลายชิดหลายใจเชื่อโน่นเชื่อนี่ไม่เชื่อการกระทําของตัวเองาศาสนาธรรมนี่อยู่กับลูกกำน้ำนี่ไม่ไปที่ไหนเลยหวังศาสน า, าธรรมความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมนี่คือาศาสนาธรรมอาธิษฐานพบแ ก, ก่ตรงนี้อันเดียวกันเท่านั้น แต่ศาชาร์พิธีศาสตรวัตถุสาสตบุคลก็ต้องเพื่อศาสตร์ธรรมนี้่ศาสตร์ธรรมมุกบุญประจ่ศาสตรวัตถุสาสตพิธีสาสตบุคคลเหมือนข้าวเปือกเราเก็บไว้ไม่ใช่ไปกินข้าวเปือกกินข้าวสุกข้าวสารแต่ต้งเป็นต้องเก็บข้าวเปือกไว้พิธีก็มีพิธียกมือเคลื่อนไหว เป็นพิธีกรรมหล่อกรรมฐานเพื่อเอาประโยชน์จากกรรมฐานที่เป็นมรรคเป็นผลซ้อมหนอนี่มันเกิดจะกี่ขึ้นมาอย่างที่ไปได้ถ้าสอนก็นก็สอนแบบสอนทำพิธีมีสาสมบัติสอนถ้าบุคคลมีเสียงคำพูดโดยภาษาแต่ละต้องถึงแต่ละประเทศ ไ ม, มไม่เครมาเบียเบียนเรารอ้จากอ่านหนังสือของชราสาแห่งโลกวันนี้ประเทศบางคาเต้ถูกประเทศบิสลิมทำรายแหลกล้านไปหมดเลยช า, าวพุทธถกวาดปาลางข่าตายกันทลายพุทธลูกตายมาเป็นลูกพอหักทุกไปพระสมเก็บปวด ต้องไหว า, ายไปอุว้วะอุ้วจนออกหนังสือขอความช่วยเหลือทั่วโลกเจาพพุทุโลกุป น, นา ม, มุสลิมจงเข้าสงของไปช่วยประเทศหลังคาเท่เคยไปเหมือนกันแต่กัปปจ า, านจะฉิบไป ตอนสมใจแต่ว่านั่งขึ้นมินตะหลงเมืองหลวงเขาเฉยไม่ได้ไม่ได้เหยียบพื้นดินเขาไม่เหยียบแล้วก็เป็นมาลานแล้วสมัยง้าหาวิเลยนารันธาถูกพระอาต า, ายโสวัาดมหาวิเลยนารันธาวอดวายไปตำลายพระสงฆ์ ไปดูทุกวันเห็นแต่ซากศพหมาวิไลนาลันธาที่เป็นยิ่งใหญ่มุจะิลท้ยลำอยล่างจนพระอบตำปลาหนีมาข้ามธารข้ามทะเลมาตายดับหน้า <S <S ประเทศไทยก็หนีมาข้ามทะเลมาหาทางเหลือบ้างหาทางบกบ้าง เตมาถึงเมืองอไทเพะหะาร trăm ไม่ได้สองรูปน้อหมามาเผยแพร่ในประเทศไทยปรปกีนบ้างเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็มีพระมหากษัตริย์ทุกองเป็นพุทธรร ม, ามากะ น่าจะวุญนใจในช่วงนี้ได้เอาประโยชน์ได้ทำซะพวกเรามาอยู่วัดวาลามก็ะสะดวกเรื่องนี้เพื่อนมิตรก็ทำให้เราสะดวกเรื่องนี้น่าจะเอาให้เต็มที่ยิ่งเวลานี้การอ่านใส่ชวิันเอนจีแจก้าขนาดไหนก็อยู่ที่เราเนย รู้าาจักตัวเนี่ยอะไรก็แค่ว่าลู้จักตัวในเด็กไปยันว่าเทียงก็ว่าอยากเข้ามาในความคิดแต่รู้จักตัวความสก็ลู้จักตัวคันทุกก็ลู้จักตัวพ่อก็บอกว่าเห็นมันอยากเข้าไปเป็นอนเดี๋ยวก่อนเห็นมันหลงอยากเป็นผู้หลงก็พ้อนจากหลงนี่ มั่นใจพู้จังนี้ก็ะเดวเดียวกันเวลามาสุขเห็นมรรจุไม่เป็นผู้สุขก็พ้นจากความสุขทําไปในตัวแล้วปดทุนในเท่าเดียวกันในเาวเดียวกั น, น, ว, ว, กนวิดาทีเดียวกันไม่ปล่อยให้ลอยดวนอยู่ได้ถ้าทำอย่างนี้เดือดเห็นไม่เป็นเลยไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ย จะว่าอย่างไงก็ทําอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้พูดอย่างนี้พูดจากกรรมกระทำที่ต่อสีทาิต่อสลไม่ตัวเาราเรียนอะก็เอาการกระทงนะว่ามันเป็นรูปทุกตาเราก็สร้างสรรค์ขึ้นมาเอาการการะทงสร้างสรรค์การสร้างสรรค์อย่างนี้มันจะอยู่ที่ เหตุวายมันสมองอยู่ที่การกระทำต่างหากออสเตรเลียนลูกมันสมองไอเดียไอเชยใดต่าง ๆ, ๆไม่ใช่เลยแต่ต า, าสาีตาสระี่แหละประกอบขึ้นมาจากนี้เอนไม่เป็นเนี่ยแล้วก็ผ่านตัวนี้ทั้งหมดเลยต่างท่าดูรู้สักตัวแล้วก็มาใช่ เพิ่มขึ้นไปอีกลูกเฉยๆมันซึมเบื่อขึนไปเห็นมันการเห็นมันเนอาจารย์ไหวประกอบด้วยการเคลื่อนไหวก็ได้นอนอยู่ก็เห็นได้อะไรก็เห็นได้สัมนานในการเห็นจํานกากันไม่เป็นเห็นไม่เป็นอา้อาววันจะตายก็เห็นมันนะันหายใจไม่ได้ก็เห็นมันน มาไดตายความตายมาได้เจ <Ừ> ็บพวงเจ็บเห็นบันเห็นมันเจ็บมาได้เป็นผู้เจ็บพ้นจากความเจ็บโยยาเห็มันจะตายหายใจไม่ได้มาได้เอาลมหายใจมาเป็นชีวิตชีวิตเราชำนาญในการเห็นเนี่ยสระแล้วหายใจแบบเราไม่เจียวข้องกับมันก็ได้ไม่จุ๋ยเฉยเก็ได้เป็นเพืนกับมัน ชำนานแบบดีเลยพูดอย่างนี้ไม่ใช่เกิดจากการจำจากใครมาตัวเองทำอย่างนี้สี 45, 46, ่สิบห้าสี่สิบหกสสิบเจ็ดปีมันจังเป็นวันดีมันจำนานแบบนี้มันลืมไม่ได้พราการกระทำมันเป็นตาไว้ในชีวิตเราเนี่ย เออนั่งนี้ก็มีทั้งพระสงฆ์ทั้งวัสุภิกาแต่จริงองไรอย่าเพิงเชื่อกรมอาถรรพที่เขาปอยเชื่อพระเจ้าเราพูดอย่างนี้ให้ศรัทธาต่อพทธเจ้าไม่ใช่ศรัทธาต่อเราสต่อหาโนพรเจ้ายกขึ้นสูงสูก็ให้เป็นเงินไม่ได้เลย พระเจ้าองค์เดียวท่นในโลกนี้สุดยอดแต่ท่านแบบนี้รียนคำสอนพระเจ้าทั้งหมดอันเดียวกันพระเจ้าก็ไปแบบนี้แล้วก็ไปแบบนี้ทางเส้นนี้เตือนทางเดียวกันนี้ไปถึงที่เดียวกันนี้เหมือนกันหมดไปถึงที่เดียวกันหมด กุญแจไป ห, หวงเป็นสิทธิเป็นสิทธิของทุกชีวิตนี้ปฏิบัติได้ผลได้ไม่จำกัดการว่าอย่างนี้ผู้ปฏิบัติรองอยู่ด้ง่งงจริงในธรรมที่ควรรู้คนเห็นตามทุกควรจะผู้ปฏิบัติกัดปัจจตังเมื่อรู้แล้วก็เชิญชวนคนเรียนมาประกาศให้คนมาดู อันนี้ก็สันท่าจะไม่ค่อยได้ประโยชน์จากภูผิังงานน้ำเท่าไรเสียงก็ไม่มีไอัศาต์ัวถยูกับหมอก็ยังไม่ดีาลังงานยังไม่ดีพลังงานหมดเพื่อนรู้สิบรอบแล้วเก้ารอบแล้วเรียกว่าเจ็บรอบก็จะดี เนี่ยเก้ารอบแล้วก็ยังไม่ค่อยจะดีอาจารื่ไปเรื่อยๆไปแต่จิตใจนี่ดีมากสูงมากนะวิธีรักษาแบบทางเลือกของแพทย์ตะวันออกปนปนกับแพทย์แตะวันตกที่ประเทศอะไรเจ้าคุณประยุทธ์เจา้าค ผมกุลนาพรไปรักษาอยู่ทุกวันนี้แต่ดูแลก็คล้ายกับที่เราไปรักษาอยู่เดียวหาหมอที่ของเอกชนเขาสองแสนสิบรอบนี้สองแสนเพ้่นครูพลังงานไปหมอ สวัสนีที่เป็นผอ บ, บวดที่ดีเอาให้รักษาให้ฟรีๆแล้วก็เห็นคนฆ่าที่นี่ก็ให้หัาใจบำรุงรุกบาลไปส่วนหนึ่งลราจะสร้างตึกคนชั้นลาเปดห้องก็ยังไม่ดีอาจจะไปเรื่อยๆหมอก็ห้ า, หา ม, มาให้ ้องมาห้ามให้พูดแต่ว่าอดไม่ได้นอ้อคิดถึงเั้อหลอนต้องพูดต้องสอนต้องจนมันจะหมดเสียงลงหน่อยแล้วก็หมดเสียงแล้วตอนนี้ก็อขอจบแค่นี้กับพระพ้องกัน